พระธรรมเทศนาแผ่นที่92าลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20พฤษภาคม2559มีชื่อเรื่องว่าทำไม่ดีเสียหายทั้งวงการวันนี้เป็นวันที่ย0สบ พฤษภาคมพุทธศักราช2559้ารห้าพระลงโบสดที่จบลงสักครู่นี้ทั้งหมดสี่สิบเก้ารูปถึงยังไงพวกเราเป็นพระเป็นผู้นำเป็นผู้นำของฝ่ายพระสงฆ์ที่ผู้ผู้อยู่ข้างในในพุทธ ทบบริษัทสคือว่าพระสงฆ์เป็นผู้นาภิกษุสัมมนเณีสั ม, มนเาณีก็ยังเป็นน้องและกุบาสุอุบาศิกาเป็นผู้สนับสนุนพวกเราให้นึกอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้นำนำทางไหนอันไหนที่ถูกต้องเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นวิทย์ในให้พวกเรา พยายามตรวจตราดูตนเองอยู่เสมออย่าได้ออกนอกรูกนอกทางอย่างที่สื่อพวกเราก็ได้ยินได้ยินพอได้ยินแล้วมันเกิดสะดุดเกิดความสดใจพระของเราทางวัดไปทำสิ่งที่มันไม่ดีอย่างที่กฎหมายเขาห้ามตัวเองเขาไปทำขนาดวิัยา เป็นของละเอียดจะทำยังไงขนาดของหยาบๆทางโลกเขาเขาก็ยังไม่ทำกันแต่ทำไมเราเป็นพระเป็นผู้นำทำไมจึงเราจึงไปคิดทำได้อย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเรานะถึงจะพวกอื่นไม่ได้ยินไม่ได้รู้สึกนึกคิดอะไรแต่พวกเราทั้งสี่สิบเก้ารูปเนี่ย ที่นั่งอยู่ด้วยกันให้พวกเราให้โอปัญญิโกมองตอนเองอยู่เสมอว่าเราเป็นพระเราเป็นผู้ซื่อตรงเราเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านยอมพระพ า, ากยบุตรเป็นบุตรของสากยะสากยบุตรพุทธเชนโรต เป็นโอรสของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะกระทําสิ่งใดลงไปจะเกินเพียงแต่คิดคิดที่เร็เวๆ อ, อย่างเนี้ยเอาไม่รู้ไม่จักเร็วถ้าเราเข้ามาศึกษาถึงขนาดนี้แล้วคําว่าคิดไม่ดีคิดเร็วเราคุรคงจะรู้ได้ในเมื่อคิดไม่ดีคิดเร็วการกระทําออกไป มันก็จะต้องเร็วการพูดออกไปมันก็จะต้องเร็วพอนันนั้นออกไปจากใจทั้งหมดเวฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านถ้าหากว่าพวกเรามีการฝึกฝนเรื่องสมาธิจิตตภาวนาอยู่ในจิตในใจมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดและก็พร้อมกันกับ น, น้อมนึกว่าเราเป็นใคร แล้วกน้อมนึกว่าอีกชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงอีกไม่รู้ว่าจะวันไหนจะลนจากหายหายตายไปอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสกับพระอนุนว่าอานุอ น, นคิดถึงวันความตายวันละกี่ครั้งเสียงเหล่านี้ให้พวกเรานึกในใจเสมอว่าเราระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งประมาณวันละร้อยครั้ง พระพุทธองค์ยังว่าประมาทพวกเราถึงหรือยังถึงครึ่งของพระอนุนหรือยังสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านท่านระลึกถึงภัยคือมรณะอยู่ในจิตใจของเราอยู่เสมอพวกเราสิ่งไหนที่มันเลวสิ่งไหนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีไม่อยู่ในกรอบในหลักเหตุผลไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยไม่ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง พวกเรากคงจะสํานึกเ อ, อนึกได้ว่าไม่ควรจะทำไงในสิ่งเหล่านั้นเรื่องนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าชีวิตของเราจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่เราจะฝากอะไรไว้ในแผ่นดินเราจะฝากอะไรไปในพระพุทธศาสนาเราจะฝากอะไรไว้กับหมู่พวกเพื่อนของพวกเราสหาธรร ม, มิกของพวกเรากับพุทธบริษัทของพวกเรา เราจะฝากสิ่งที่มันไม่ดีอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะตรวจตราดูตนเองสิ่งไหนที่มันไม่ดีเนีย่ยรู้ไหมไม่ดีรู้ไหมคิดดีทําดีพูดดีรู้ไห ม, ดด ท, ดดไหมที่มันไม่ดีแต่เรารู้ได้ทั้งสองเงื่อนนะดีกับไม่ดีแล้วพวกเราก็ควรจะละเว้นสิ่งที่มันไม่ดีฮห่างะ ห่างออกจากสิ่งที่มันไม่ดี เ, เขาป ร, ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบูรณ์กุศล เ, เข้าสู่จิต เ, เข้าสู่ใจจากนั้นก็บำเพ็ญคุณงามความดีเรื่องสมาธิสำคัญอย่าไปคุกคลี อ, อยู่ด้วยกันอย่าไปคุกคลีตีโมงกันอย่าไปคุก เ, เดินไปที่ไหนถ้าเดินไปาตามลำพังเนี่ยพุโทโธพุโทโธไปดีที่สุดนะ ถ้าเดินไปเป็นพรวนคุยคุยกันไปที่ไหนไมิจะคุยกันการถือคุยกันเป็น เ, เรื่องชีวิตจิตใจไม่ถูกต้องนะเพราะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าวเวลาพระออกมาจากชีพภาวนาของตนต่างองค์ก็ต่างม า, ามาด้วยความสํารวมระวังมาฉันน้ำเตือมาทํากิจวัตรข้อวัดามาตามลําพัง ไม่ใช่ว่าเดินคุยกันคล อ, อ, อเคลียกันไม่ใช่เรื่องของพระนะให้พวกเราท่านทั้งหลายต้องดเออูเรามาเพื่ออะไรมาอยู่ที่นี่มาอยู่ในป่าต้องมาอยู่วัดป่าตรงพงไห้อย่างนีเ้เป็นป่าใหญ่ป่าสูงต้นไม้หนาแน่น เ, เป็นป่าธรรมชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเรามาอยู่ทำไมมาอยู่อย่างนี้อยู่เพื่ออะไร เราต้องการอะไรถ้าต้องการทางโลกมันผิดนะถ้าต้องการปลีกวิเวกหาความสงบสงัดเข้าสู่จิตใจเพื่อต้องการภาวนาเพื่อจะดูจิตดูใจของตนเองตัวดูจิตดูใจของข้าพเจ้าเองข้าไปเจ้าจะปลีกตัวอยู่ตามลาพังเพื่อภาวนาเพื่อจะได้ดูใจของตนเองนั่นแหละถูกต้องนะ ถ้าว่าคิดออกนอกกว่านี้แล้วไม่ได้ผิดถึงอยู่ไปมันก็ผิดอยู่ตลอดถึงเราจะมาบวชชั่วครั้งชั่วคราวเรามาบวชคราวนี้เพื่ออะไรถ้าเราบวชมาเพียงแต่ว่าบวชเฉยๆล้วบวชที่อื่นก็ได้แต่เรามาบวชเพื่อฝึกฝนทางด้านจิตใจของเราเราจะได้มาอยู่อย่างนี้มาอยู่อย่างนี้แล้วเราควรวางตัวอย่างไรเมื่อ ในหนังสือที่เราได้แจกกันเรื่องวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการภาวนาหรือว่าแนวทางที่องค์หลวงตามาแสดงธรรมที่วัดของเราหนังสือของเรามีหลายหลายเล่มให้พวกเราศึกษากลางคืนก็ น, นะฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาจากสถานีวิทยุอยู่ที่วัดของเราฟังอย่างน้อยคืนละหนึ่งกันทดลองเลสิอันนี้เพื่อการศึกษา เหมือนกับเราเข้าโรงเรียนหรือเข้ามหาวิทยาลัยนั่นเราจะต้องได้รับรู้รับทราบในการเรียนในการศึกษาของเราอย่าให้มาอยู่เฉยๆเหมือนกับรอกกร ะ, ะแตลิงข้างบางชนีมาอยู่ในวัดตัวปวกตัวมดตัวยุงมันไม่เกิดประโยชน์ให้อยู่ไฟเพื่อการศึกษาตาดูหูฟังใจสำเนีจอใจคิด อันไหนถูกต้องอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นวินัยอันไหนถูกต้องตามกฎธรรมเนียมตามหลักธรรมวินัยถ้าว่าสิ่งใดก็ตามมาอยู่ในวัดนี้ถ้าเห็นพระองค์ใดกระทาออกไปนอกลูก่นอกทางไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยแล้วยังเพล่เพลยังผิดกฎหมายอีกรีบบอกหลวงพ่ออันนั้นเป็นผู้วังดีต่อพระพุทธศาสนาตอบเป็นผู้วังดีต่อวงการคณะสงฆ์ หลวงพ่อจะยกยก่องเลยว่านี่องค์นี้เป็นพระที่ปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องสิ่งที่มันสิ่งที่ดีต่อพระพุทธศาสนานีา่แหละให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการอยู่ด้วยกันเป็นหูเป็นต า, าสิ่งไหนที่มันไม่ดีในวงการในวัดของเราก็บอกการกล่าวกันแนะนำสั่งสอน ตักเตือนสึกกันละกันอันนี้คือสหธรร ม, มิกการอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันมองกันในแง่ร้ายมีแต่ที่จะหาเรื่องหาเรามีจะทะเลาะวบาะแว้กันอันนั้นอย่าได้มีเด็ดขาดภายในวัดของเราการอยู่ด้วยกันในวัดของเรามีเมตตาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื่ออารีต่อกันขาดเหลือขาดตกอะไรในปัจจัยสี่ หลวงพ่อที่อยู่เป็นหัวหน้าหลวงพ่อพร้อมที่จะปังพวกเราท่านทั้งหลายเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องอะไรมีความจําเป็นอะไรคําว่าปัจจัยสีที่พวกเราขาดเตื้อบกขาดตกป ก, ปกพองนั้นอย่าได้อย่าไดออ้อย่าได้ปิดต ก, กงังวลให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งอกตั้งใจภาวนาเท่านั้นแหละถ้าหากว่าพวกเราตอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาวนาแล้ว ่เป็นจุดประสงค์ของหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าที่พวกเราอยู่ที่นี่เห็นไหมพวกอยู่นานก็มีพวกเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ก็มีมีอะไรแต่หลวงพ่อก็ดูอยู่แต่ถึงยังไงก็จะไปให้มันออกนอกลูนอกทางนะเสียงไหนที่หลวงพ่อห้ามไว้แล้วอย่าทำนะลูกหลานนะทำอย่างนั้นนะพวกเราก็ต้องสํารวมต้องระวงังอย่าไปทาถ้าเป็นทำออกไปแล้วมัน มันเสียกฎระเบียบมันเสียการปกครองมันเสียวัดเพอเพอเรารู้เท่าไม่ถึงการอีกต่างหากมันเสียหายในเมื่อมันเสียหายเสียหายถึงจากใครมันไม่ใช่เสียหายแต่เฉพาะพวกท่านนะไม่ใช่องค์นั้นนะมันเสียหายทั้งกฎทั้งระเบียบทั้งวัดวาศาสนาทั้งกฎพระพุทธศาสนามันเสียหายไปไปทางวงทั้งวงการเลยถต่เราทาไม่ถูกนะ ถ้าเราทําถูกนั่นนะ่ะเป็นสงาาส่าราศีต่อพระพุทธศาสนาไปที่ไหนค น, น่นนะ เ, เขายอมกราบยอมไหว้เคารพสักการะมีแต่ยอมรับกัน อ, อย่างที่หลวงตาหลวงพ่อเนะี่ยไปอินโดนีเซียตั้งแต่วันที่ห้ากลับมาวันที่ส6บหทธภาเนะี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบใ่ลูกหลานนี่แหละหลวงพ่อไป อยู่กับเขาเห็นเหมือนก็เห็นพี่น้องเก่าออความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีจะปัจจัยสีไม่ต้องคิดทั้งที่อยู่ต่างประเทศนะเราไม่ได้ซื้อได้หาอีกต่างหากอาหารการบริพภวโอ้โหล้นหลามจะตุปัจจัยเขาถวายมาของใช้ของอะไรออไมิจะคัดสรรมาให้นี่แหละอเนกสง์การปฏิบัติดี อ, อยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในหลักธรรมวินัย ไปที่ไหนเขาก็อยากจะพบอยากจะเป็นญาติธรรมกับเราเป็นสหธรรมมิตกับเราถ้าเป็นฝ่ายพระสงฆ์ถ้าเป็นญาติโยมกันนั่นอยากจะเป็นผู้อุปถัมภะทาสให้การเกื้อกูลหนุนปัจจัยสี่อย่าได้ขาดตุกปกของปวารณาแล้วปวรณาอีกขาดหรืออะไรถามแล้วถามอีกฮเอนี่แหละสรุปแล้วก็คือเราอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่อยู่ในยูน่ใฟอร์มนี้เราไปดูสิมันจะเป็นยังไงเหมือนกับคนทั่วๆออไปนะ่ยแย่งกันอยู่แย่งกันกินแต่ในเขาให้เกียรติเขาให้ความเคารพเขาเกิดศรัทธาพอไปเห็นเราขนาดนี้บนไปแสดงธรรมแล้วไปแสดงความคิดเห็นเวลาเขาเราแสดงความคิดเขาปนมมือฝังด้วยความตั้งอกตั้งใจทั้งที่เขากับเราเนี่ยอยู่ห่างไกลกัน ไม่รู้จักมักคุ้นกันเลยแต่ชื่อของเขาเราก็ยังตั้งจำไม่ได้แต่ละครั้งเพราะเป็นภาษาอินโดนี่แหละอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนกันเนี่ยเรื่องพระพุทธศาสนาให้ขอสำคัญให้พวกเราทำดีเท่านั้นถ้าทำดีเสอย่างเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ถ้าว่าพวกเราคิดไม่ดีทาไม่ดีพูดไม่ดีแล้วอย่าหวังนะลูกหลานนะ อยู่กับหมูเพื่อนหมูเพื่อนตํานีอา่ออกไปข้างนอกข้างนอกเขาก็ตํานีา่ถึงไปเป็นคารวะแล้วก็ยังเป็นเป็นมลทินสําหรับตัวเองคิดขึ้นม า, เ, าเมื่ อ, อไหร่ว่าข้าพเจ้าตอนเมื่อข้าพเจ้าบวชข้าพเจ้าบวชเข้าไปอยู่ในวัดข้าพเจ้าไม่น่าจะทําอย่างนั้นเลยมันเป็นมนทินในด้านจิตใจจนถึงวันตายพวกลูกหลานต้องการไหมอย่างนั้น ถ้าไม่ต้องการนั่นนะนับแต่เข้ามาบวชตั้งอกตั้งใจสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยให้เป็นผู้มีศีลพูดง่ายๆในเมื่อมีศีลแล้วก็ตั้งอกตั้งใจภาวาา น, น า, านนแล้ยตั้งอกตั้งใ จ, งงใจประพฤติปฏิบัติแล้วเลยที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวครูบาอาจารย์แนะนำยังไงเดินจงกรมขาขวาพุทธกาตายโทรพทโทรพโทเอาเป็นหลายหายชั่วโมงอย่าให้มันเผลอเผลอตึงกลับขึ้นมา เขามานั่งนั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธมันเพล่ไปกลับขึ้นมาจากนั้นนํามาพิจารณาร่างกายสังขารของเราร่างกายของเรามีธาตุสีดินน้ํำลมไฟธาตุสีก็คืออะไรธาตุสีก็คือธาตุน้ําก็คือน้ําปัจจวะน้ําเลือดที่น้ําอยู่ในร่างกายของเราเราเพิ่มน้ําเข้าไปนะธาตุน้ำธาตุลมเหรอลมหมายใจเข้าหายใจออกลมในลําไส้ลมธาตุาไฟก็ทําให้ร่างกายอบอุ่น ธาตุดินก็คือของแข็งอย่างผมอย่างกระดูกอันนี้เป็นธาตุดินเราอยู่ในอาศัยธาตุดินอยู่ดินน้ําลมไฟอยู่ในร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนทนุถนอมขนาดไหนดูแลดีขนาดไหนธาตุสีเหล่านี้มันไม่ใช่ว่ามันจะอ่อนหนุ่มน้อยไปข้างหน้านะมีเท่เท่าแก่ชราผลที่สูดก็ถึงจุดจบของมัน ใช่ไหมใจนี่แหละนำมาพิจารณาถึงธาตุสี่ดินน้ําลมไฟมันเป็นของเสื่อมสลายในที่สุดดินเข้าสู่ดินน้ำเขาสู่น้ําลมเข้าสู่ลมไฟเข้าสู่ไฟแตกสลายในที่สุดร่างกายของเราอย่างนั้นจริงไหมใจนี่แหละอันนี้คือการพิจารณาแยกแยะในการเป็นอยู่ของพระของส ม, มณะที่เป็นนักพรตทักบวชอย่างพวกเรานะแต่ละวีแต่ละวันต้องคิด ในใจไว้อยู่เสมอเรื่องโคโลกนะมันเป็นเรื่องอีกอย่างนึง่ง เ, เราจะไปคิดถ่าเว้นเสียแต่ อ, อือเอาเราบวชมาชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้ขนาดใดขนาดหนึ่งก็ดีแต่ถ้าว่าเป็นนักพรตนักบวชที่ตัอ้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติแล้วนะไม่ควรจะพวกรบกับภายนอกนะเราควรจะหมุนเข้าสู่หลักของเราหมุนเข้าสู่เจ็ดใจของเรา ยังไงถึงเราจริงจะพ้นทุกในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพานได้โดยเร็วนะอันนี้ก็คื อ, เ, อ, อเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดนะพระลูกพระหลานทั้งหลายนะ